มีอะไรเหรอว่าอีน้อมตาถามขึ้นเรือนก่อนเถอะพี่น้อมว่าเราจึงพากันขึ้นเรือนเกือบไม่ทันจะนั่งเลยพี่ถนอมร้อนใจเรื่องธุระของแกก็พูดขึ้นว่ามันยุ่งจริงๆนะตาฉันมีเรื่องนะสิทำไมนังจีบมันเป็นอะไรแม่ฉันผีเข้าแต่บางคนก็บอกว่าเจ้าเข้าทรงเอ๊ะแล้วไอ้โปเขาว่ายังไงล่ะจะว่ายังไงล่ะก็กลุ้มใจกันอยู่เนี่ยเวลานี้